เสียโอกาสเสียเวลาเลยแบบนั้นแทนที่เราจะได้โอกาสอันนั้นคือมันแสดงทาให้เราเห็นใช่ไหมที่เราสวดกันเมื่อวานนี้เรื่องนิวรันทั้งห้าใช่ไหมเริ่มตั้งแต่การมาชันทะพยาบาทธีนมิทะอุทันจักกุกุจะแล้วก็วิจิกิจาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็มาแสดงให้เราเห็นอยู่แล้วความฟุง้งซ่านความหดหู่ความรําคาญใจมันก็ปรากฏให้เราเห็นอยู่แล้ว แต่ที่นี้เราไม่เห็นมันเราพาดโอกาสมันพอมันมันมาแล้วเราก็ไปเป็นกับมันเสียอย่างนงี้อเราไม่ได้เห็นมันไม่ได้กำหนดมันใช่ไหมสิ่งตัวนี้มันมามันแสดงให้เราเห็นเพราะว่ามันเป็นด่านด่านที่จะผ่านอยู่แล้วไอ้สิ่งตัวนี้ทุกคนต้องประสบต้องเจอใช่ไหมสิ่งตัวนี้ ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ผ่านมาแบบนี้ครูบาอาจารย์ก็ผ่านมาแบบนี้อืพอเราเจอปัญหาแบบนี้เเราเราผ่านไม่ได้เลยเล ย, เล ย, เลยอย่างเงี้ยเช่นถีน้มิทะเนี่ยความง่วงอย่างเงี้ยเราผ่านมันไม่ได้เชียเลยอย่างเงี้ยตามปกติก็ถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมแบบต่อเนื่องแบบเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะมีความเอื้อิ่ม เป็นปิติมาหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้มีกําลังใจในการประพฤติปฏิบัติมันก็จะไม่ง่วงสิ่งเหล่านี้ถ้ามันมาหล่อเลี้ยงอไอ้สิ่งเหล่านี้ทําไมทําไมวิธีการของหลวงพ่อเทียนท่านจึงไม่เน้นวิธีการนั่งหลับตาท่านทำไมถึงมาเน้นในเรื่องวิธีการยกมือสร้างจังหวะแล้วก็ลืมตาอ เพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมาธิท่านไม่ต้องการสมาธิแบบลึกเกินไปแต่เอาสมาธิแบบพอประมาณไม่ใช่ว่าไม่เอาสมาธิแต่ว่าเอาสมาธิแบบพอประมาณพอประมาณขนาดไหนพอประมาณที่ไม่ให้ใจของเราเนี่ยมันไปสัดสายไปข้างนอกเอาเอาสมาธิแบบพอประมาณก็คือพอให้มันใจของเราเนี่ยมันตั้งมั่น มันตั้งมัน่นไม่วอกแวกเอาพอที่มันรับรู้อารมณ์เวลาเรายกมือเคลื่อนไหวไปมายกมือสร้างจังหวะแบบนี้เราไม่ต้องการสมาธิแบบแบบมากเกินไปเกินความจําเป็นถ้าเกินความจําเป็นแล้วมันดิ๊กมันมันดิ่งดิ่งลงไปดิ่งลงไปแล้วทีนี้มันไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกที่มันมากระทบมาสัมผัสเช่นความง่วงอย่างนี้มันไม่เจอแล้วเห็นไหม ความฟุ้งซ่านอย่างนี้ไม่เจอลอะอความมัวงหญิดนั้นไม่เจอละถ้าสมาธิมันลึกน ะ, ะมันไม่รับรู้อารมณ์ลนะเนี่ยใครจะเดินใครจะไปยังไงอัะนนะั้นมันไม่ได้ยินมันไม่ได้สนใจละสมาธิมันลึกอันนั้นเขาเอาไว้เพียงแค่พักผ่อนสมาธิในระดับลึกๆนะพักผ่อนจากที่ <c oughs> เราทําการทํางานคือการประพฤติปฏิบัติเรามากพอแล้ว ทีนี้เราอยากจะพักผ่อนทางจิตใจก็อาศัยสมาธิตัวนั่นแหละไปพักผ่อนเข้าไปพักผ่อนเช่นเราทําการทํางานอย่างนี้เหนื่อยล้ามาแล้วเราอยากจะพักผ่อนเข้าไปพักในสลาแบบนี้พักเสร็จแล้วก็ได้เลี้ยวแรงแล้วก็ออกมาภายนอกสมาธิก็เช่นเดียวกันนั่นแหละท่านก็ไม่อยากจะให้เราเอาสมาธิแบบลึกๆเกินไปเอาสมาธิแค่พอพอประมาณ เอาในระดับแค่ว่าสมาหิโตกรมมนิโยปริสุทโธเอาแค่สามระดับพอเอามาใช้งานให้มันรับรู้อารมณ์ภายนอกให้รับรู้อารมณ์ที่เราประพฤติปฏิบัติแบบนี้เนี่ยปัญญามันก็จะเกิดถ้าเราทําได้แบบนี้ทําไมมันถึงเกิดได้ปัญญาสติทําไมมันถึงเกิดได้เราทําแบบนี้ยกมือแบบนี้ แตกไหมตัวรู้ทําไมมันมีทําไมมันเกิดขึ้นได้เพราะการที่เรากําหนดรู้เนี่ยเราต่างจากบุคคลผู้ที่ไม่ได้กําหนดรู้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เดินเหมือนกันนะคนทั้งหลายเนี่ยก็เดินเหมือนกันนะก็นั่งนอนเ อ, อทําพูดคิดเหมือนกันหมดนะแต่ว่า มันแตกต่างกันอยู่ที่กับบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือการกำหนดรู้เอาสติของเราเนี่ยนะเข้าไปกำหนดรู้ในขณะที่เรากระทำนี่มันต่างกันอยู่ตรงจุดนี้อ่าบุคคลอื่นทำไปทาไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้กำหนดรู้อายุตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายไม่รู้อะไรเลยแต่บุคคลผู้ที่มากำหนดรู้เพียงแค่วันเดียว ก็ประเสริฐกว่าบุคคลผู้ที่มีอายุตัต้งร้อยปีเห็นไหมฮะมันต่างกันบุคคลผู้ที่เจริญสติแบบนี้ เ, นเห็นความเกิดดับของของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมากระทบเช่นดีใจบ้างเสียใจบ้างหรือหดหู่บ้างหรือฟุ้งซ่านลำคาญใจบ้างเห็นอารมณ์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับของมันมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของมันอยู่แบบนี้อารมณ์เหล่านี้แหละที่เราเห็นไหมแบบเนี้ ท่านบอกว่าถ้าเห็นอาการเกิดดับแบบนี้ประเสริฐกว่าบุคคลผู้ที่มีอายุตั้งร้อยปีบุคคลผู้ที่มีอายุร้อยปีนั้นเสียประโยชน์เปล่เปล่าเลยถ้าหากไม่เห็นแบบนี้ท่านบอกเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยพระอุบารีผู้เป็นเลิศในทางพระวินัยของพระพุทธเจ้าท่านเล่าในการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านท่านบอกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ย เหมือนกับนกย่างพวกผู้ประปฏิบัติธรรมนี้เคยได้ยินไหมว่านกกยางนี้ไม่มีกำเนิดในเพศผู้คือนกกยางนี่มันไม่มีตัวผู้ท่านบอกนะนะในอัตถกาถานกกยางนี่มันมีแต่ตัวเมียมันไม่มีตัวผู้เหมือนกับสัตว์อื่นๆว่าอย่างนั้นนะ พอนกกระยางเนี่ยท่านบอกมันได้ยินเสียงฟ้าร้องกึกร้องคำรามมันก็จะเริ่มตั้งท้องด้วยอาศัยเสียงฟ้ามันไม่ได้แบบมีตัวผู้มาผสมมันนะมันจะอาศัยเสียงฟ้าร้องอฟ้าร้องคลาใดมันก็ตั้งท้องคลานั้นพวกเรารู้ไหมนี่ว่านกกระยางไม่มีตัวผู้ นี่คือเรียกว่าอานิสงส์ในการฟังธรรมนะได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังเห็น ไ, ไหมเนี่ยทำมะห้าประการในการฟังธรรมเห็น ไ, ไหมสิ่งที่เราได้ฟังแล้วเราก็จะได้ฟังยิ่งขึ้นไปเราก็จะได้รู้เจ็บแจ้งยิ่งขึ้นไปเห็น ไ, ไหมนี่อานิสงส์ในการฟังธรรมก็คือได้ฟังในสิ่งที่เรายังไม่เคยได้ฟังนี่คือข้อหนึ่งละท่านบอกว่านกกระยางเนี่ยนะ พอฟ้าร้องมันก็จะตั้งท้องเหมือนกับท่านประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างวัดพระมหาชนกท่านจะมีการประพฤติปฏิบัติธรรมท่านก็ประกาศใน Facebook แล้วก็ในเว็บไซต์ของท่านท่านก็ประกาศญาติโยมเข้าไปอ่านก็จะไปเห็นว่าโอช่วงเวลาตั้งแต่วันที่เท่านั้นถึงวันที่เท่านี้ทางวัดพระมหาชนกนี้มีการประพฤติปฏิบัติธรรม ทีนี้ผู้ที่สนใจก็จะเกิดการตั้งจิตตั้งใจว อ, อยากจะมาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกับท่านเห็นไหมฮะเกิดการตั้งท้องขึ้นมาละท่านบอกคราใดที่ฝนฝนมันตกนกกยางนั้นก็จะคลอดลูกออกมาเราก็เหมือนกันหากเราได้สัมผัสรสพระธรรมก็จะคลอดออกมาก็คือ เกิดสติปัญญาญาณถ้าหากเราได้รู้ได้สัมผัสได้ประพฤติปฏิบัติแล้วแบบต่อเนื่องแล้วเราก็จะได้รับรู้ได้สัมผัสรสชาติอันนั้ น, ท, น, ท, น, รร ท, ท, นท่านบอกว่าพระอุบาลีท่านเล่าการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านท่านบอกว่าท่านใช้เวลานานมากตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าก่อนโน้นท่านบอกสะสมมาเรื่อยๆได้ฟังธทำมาเรื่อยๆคือจิตใจของท่านเนี่ยตั้งมั่นแน่วแน่ ในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมใส่ใจในการที่จะปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับการตั้งท้องของนกกระยางกันบอกพอคราใดที่ฝนมันตกฝนมันพรมลงมาฟ้าร้องฝนตกท่านก็ไข่ออกมาพอสิ้นฝนตกนะก็จะไข่นั้นก็จะเบาะเป็นตัวออกมา นกนั่นก็จะเบาะเป็นตัวออกมาเหมือนกับฟ้าหลังฝนท่านเบาะฟ้าหลังฝนนี้เมื่อฝนตกฟ้าร้าองข้ามครวนสุดท้ายทีนี้เมื่อฝนตกเสร็จสิ้นฟ้านั้นก็จะปลอดโปร่งโล่งแสงเงินแสงทองก็จะส่องออกมามันก็จะผ่องใสมันก็จะสวยงามท่านบอกว่าอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันท่านอุปมาอุปไมแบบเนี้ย ว่าตอนแรกเราก็ได้ยินท่านประกาศปราร้องในการประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ตั้งใจมาพอตั้งใจมาแล้วเราก็เหมือนกับการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่แบบนี้เหมือนกับการกกไข่ของเราพอสักระยะหนึ่งเราประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วได้เกิดเห็นผลขึ้นมาในการประพฤติปฏิบัติธรรมสภาวะนั้นก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับไข่นั้นมันแตกออกเป็นตัว อารมณ์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเมื่อเราได้สัมผัสอารมณ์แบบเนี้รูปนามรู้อะไรเป็นอะไรแล้วจิตใจดีดีแล้วเหมือนกับแสงเงินแสงทองท่านบอกว่าจิตใจของเรานะมันได้รับอนิสง์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมจิตใจก็จะผ่องใสเบิกบานแช่มชื่นเหมือนกับที่เรากล่าวว่าพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานในสิ่งเนี้ยนี่เราเราต้องการค้นหาตัวนี้ที่หลวงพอ่อท่านพูดตั้งแต่วันแรกๆมาตั้งแต่อพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเรื่อยๆนะนะสรุปแล้วทีวนี้ให้เรามาให้เรามาทําแบบนี้อให้มันสร้างตัวรู้สึกตัวแบบนี้ เ, เพราะสิ่งนั้นเป็นของของท่านที่ท่านพูดแต่สิ่งของของเราเรายังไม่ได้เลยในชะ่ไหม ได้แต่เป็นของท่านแต่สิ่งที่นี้ที่นี้ที่เราจะต้องทำจะต้องฝึกจงเจริญสติให้มันมากๆยิ่งขึ้นไปจะต้องมาทำแบบนี้ตัวรู้สึกตัวแบบนี้เพื่อที่จะเอามาใช้งานดับทุกข์แก้ปัญหาให้กับตัวเราเองนี่สิ่งสำคัญคือตัวนี้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านจึงไม่เน้นในรูปแบบเท่าไหร่นัก จึงเน้นแบบวิธีการแบบผสมผสานแบบง่ายๆในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าอยู่ในที่เดิมๆก็ซ้ำซากจำเจแต่ถ้าเปลี่ยนบรรยากาศสูตรอากาศที่มันบริสุทธิ์มันก็จะได้ออกซิเจนที่ดีสำหรับตัวเราเองแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะสอดคล้องกับธรรมชาติเห็นไหว่า ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยธรรมะคืออะไรก็คือธรรมชาตินี่เองนะธรรมชาติที่เราสัมผัสรับรู้ในตัวของเราเองก็คือการเจริญสตินะแต่ธรรมชาติภายนอกมันก็ให้ความอบอ้อมอารีสาหรับเราอยู่แล้วใช่ไหมนี่คือบรรยากาศภายนอกแต่บรรยากาศภายในของเราเนี่ทีนี้สร้างตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานขึ้นมาภายในนี่นี่เพื่อให้มันรู้แต่ทําไมคนเราเนี่เวลาทํา ทำอะไรแล้วมันไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่มันไม่ค่อยได้เอาสติเอาอะไรไปใส่ความตัวความรู้สึกตัวการกระทําของเรานี่มันพลาดโอกาสตรงจุดนี้อ่ไม่ว่าจะอิริยาบถไหนก็ตามจากการนั่งฟังเราก็ตั้งใจดีใช่ไหมในการประพฤติเราตั้งใจดีแต่พอออกไปทําธุระอย่างอื่นอย่างเงี้ยอ่าพอถึงเวลาเลิกเวลารับประทานอาหารอย่างเงี้ยเออเวลา นอกเวลาการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้นี่มันเผลอไปนะเมื่อมันเผลอไปแล้วเราก็เสียโอกาส เ, ออเสียโอกาสที่เราจะได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นแต่เพียงผู้แนะนําเท่านั้นท่านบอกส่วนกิจอย่างอื่นนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเธอที่จะต้องกระทําท่านจึงบอกว่าตุมเหฮิกิจจังอาตปังอคาตารโอตถาคตาปฏิปนาปโมคันติชายิโนมารพันธนา ท่านทั้งหลายนะต้องทำความเพียรด้วยตนเองตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกผู้มีปกติเพ่งพินิษ์ในการเจริญสติอยู่เป็นประจาเป็นประจานั้นบุคคลผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงแห่งมาร น, นะบ่วงแห่งมารคืออะไรก็คือตัวอารมณ์ต่างๆที่มันมาล่อใจของเราเนี่ยให้มันไปกับอารมณ์อื่นๆเสียมันไม่ได้อยู่กับกายของเรา อารมณ์ของเราเนี่นะมันไปสู่อารมณ์ภายนอกมันก็ไม่พ้นสักทีท่านบอกแต่ถ้าเรามาแบบนี้แล้วมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วกล้กับใจของเราเนี่ยอยู่ที่นี่ให้มันพร้อมเพียงกันรับรู้อารมณ์ในขณะที่เรากระทามีความสัมผัสตรงจุด น, นี้ท่านบอกว่าไม่นานนะักถ้ากระทาแบบต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้แต่เราไม่ค่อยได้ สนใจเราเราก็มีแต่เพียงไปออทําแปบบ๊บงแล้วก็คิดปรุงแต่งไปอีกเรื่องหนึง่งละไปนอกเรื่องนอกราวไปอีกแล้วออสิ่งที่เราเจริญสติแล้วเราไปคิดไปปรุงแต่งอะไรต่างๆนั้นมันเป็นสิ่งที่ล่อล่อออกไปจากจากความความจริงที่เราจะต้องกระทำคิดทั้งวันแต่ว่าสุดท้ายความคิดนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่างเลย จับต้องไม่ได้เราจเจริญสติไปแล้วคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆสุดท้ายคิดดีก็จริงอยู่แต่ความคิดเหล่านั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเสียเลยใช่ไหมคิดทั้งวันเสียเลยคิดแต่เรื่องดีนะปรุงแต่งแต่เรื่องดีสร้างเรื่องนั้นสร้างเรื่องนี้เนี่ยมันสร้างภพสร้างชาติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้คือภพคือชาติที่มันสร้างขึ้น ในความคิดของเราปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเรื่องครอบครัวปัญหาชีวิตเรื่องการงานเรื่องหน้าที่แล้วแต่มันจะปรุงไปเรื่อยๆจบเรื่องนี้ปรุงเรื่องนี้ปรุงเรื่องนี้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งหนึ่งคิดไม่รู้กี่เรื่องปรุงแต่งไม่รู้กี่เรื่องล้วนแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเรื่องที่มันไม่ดีมันก็ไม่คิดนมันก็คิดแต่สร้างแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเข้าข้างตัวเองตลอดเวลา เนี่ยมันเป็นปัญหาอุปสรรคสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากเลยท่านบอกว่าถ้าเราคิดคลาใดให้เรากำหนดความรู้สึกตัวความคิดนั้นมันก็จะไม่ไปมันก็จะมาอยู่ที่ตัวความรู้สึกตัวของเราเนี่ยเพราะว่าความคิดมันคิดได้ทีรลคกษณนะเนี่ยเราก็ดึงมาหาที่ตัวเราพอมันคิดออกไปปุ๊บเราก็ออคิดแล้วเนี่ยเราก็กลับมาหาที่ตัวเราเนี่ยมาพัฒนาที่ กายที่ใจของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละที่ที่ทําให้มันต่อเนื่องท่านบอกทําดูสิว่าคิดไปแล้วเอา้าดึงกลับมาคิดออกไปแล้วดึงกลับมานี่กลับมาหาสู่ที่ตัวของเราเนี่ยตัวที่เรากระทำอย่างนี้ตัวที่เราเคลื่อนไหวอยู่เนี่ย้เอาสิ่งเหล่านี้แหละทําสิ่งเหล่านี้แหละทําไมมันจะไม่พบทําไมมันจะไม่เจออย่างงี้คนที่เขาประพฤติปฏิบัติมาก่อนแล้ว ทำไมเขารู้แต่ทำไมเราถึงไม่รู้ประพฤติปฏิบัติแบบเขาแล้วทำไมยังไม่รู้เออแสดงว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างเนี่ยข้อผิดพลาดของเราเกิดขึ้นก็คือมันไม่ได้อยู่กับกายของเรามันไปอยู่ภายนอกเสียมันก็เลยไม่เกิดแต่ถ้ามันอยู่กับกายของเราเนี่ยเออตั้งมั่นอยู่แล้วเ อ, อ่าเราทำเจริญสติตั้งมั่นต่อเนื่อง ไปเรื่อยๆแบบอารมณ์มันไม่ค่อยวอกแวกสามสิบนาทีก็น่าจะได้เลยนะน่าจะเห็นผลเลยนะถ้ามันต่อเนื่องเลยน ะ, ะทํามาเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคิดเฉลีย่ยถ้ามันต่อเนื่องกันจริงๆรู้ต่อเนื่องรู้ต่อเนื่องต่อเนื่องกันแต่ว่าพอเรามันไม่เป็นแบบนั้นใ้ความจริงเราทําปุ๊บๆไปแล้วมันก็จะออกไปข้างนอก มันไม่ต่อแล้วมันก็เราก็จะเดินกลับมานะแต่ถ้าเราทำแบบนี้รู้สึกต่อเนื่องอารมณ์มันไม่วอกแวกว่ามันไม่งอนแงนคอนแคนและเนี่ยอารมณ์เหล่าเนี้ยสามสิบนาทีเนี่ยตะมานนี้มันก็จะเกิดละเกิดโอ้ขึ้นมาทันทีละว่าโอ้เป็นแบบนี้แบบนี้เห็นไหมซิงแล้วเนี้แหละที่มันมันง่ายแต่ว่ามัน มันมันยากสําหรับในการประพฤติปฏิบัติจริงไงนะแต่ว่าในในความรู้สึกในความอารมณ์ลึกๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้เพราะพระ พ, พุทธเจ้าท่านก็รับรองเอาไว้นวะว่าถ้าเราทําต่อเนื่องอย่างตั้งแต่เจ็ดปีเป็นต้นตั้งแต่เจ็ดปีลงมาทําแบบนี้ต่อเนื่องขาดตกบกพร่องบ้างใช่ไหมก็จะให้เห็นผลแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆทีนี้ ให้ย่อย่อเวลาสั้นลงมาสั้นลงมาเหลือเวลาตั้งแต่ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่เกินเจ็ดวันอย่างนี้ย่อลงมาสุดๆแล้วในคราวสมัยครั้งพระพุทธการก็มีสาวกหลายรูปด้วยกันที่ประพฤติปฏิบัติธรรมแป๊บเดียวก็บรรลุธรรมบางองค์บางรูปก็ใช้เวลาหลายปี บางองค์บางรูปก็ใช้เวลาเกือบชีวิตถึงรู้ธรรมะอย่างพระอนนนีน่แทนที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ตอนแรกๆโน่นท่านบรรลุธรรมเมื่ออายุแปดสิบปีีตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานหลังพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วสามเดือนน่ท่านถึงบรรลุเป็นพระอระหันต์ทั้งๆที่ท่านได้ฟังได้ยินพระพุทธเจ้าท่าน เทศเป็นประจำแล้วก็ติดตามพระพุทธเจ้าตลอด 45, สี่สิบห้าพันปีนั่นนะบวชเข้ามาแล้วติดตามพระพุทธเจ้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าท่านก็ไปเทศไปสอนญาติโยมแล้วก็พระที่ท่านเทศท่านสอนนั้นพวกนั้นเขาบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เยอะแต่ว่าท่านยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์เนี่ย คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอ่อมันแล้วแต่คนนะนะเนาะไม่ใช่ว่าอ่อจะได้เหมือนกันหมดทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้นะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยก็คือนี่แนหะการสร้างตัวตื่นรู้ตัวความรู้สึกตัวที่เรากระทาอยู่แบบนี้แหละนี่คือเหตุปัจจัยที่มันจะก่อให้เกิดปัญญาขึ้นมา ปัญญาเอามาทอะไรเอามาดักทุกเอามาแก้ปัญหาชีวิตให้กับตัวเองแก้ภพแก้ชาติไม่ให้เวียนว่ายตายเกิดในวัตตสงสารความคิดปรุงแต่งทั้งหลายมันก็จะไม่ไปเกิดไม่ไปคิดปรุงแต่งนอกเรื่องนอกราวมันก็จะคิดอยู่ในกรอบแบบนี้อยู่ในกายในใจของเราเนี่ย สิ่งแล้วนี่แหละที่ที่ครูบาอาจารย์ท่านย้ำตลอดย้ำเป็นประจำว่าออทําไมการนั่งสมาธิหลับตากับการเจริญสติเคลื่อนไหวมันต่างกันอย่างไรอย่างงี้นี่มันให้ผลเร็วกว่าการเจริญสติแบบนี้ออทำแบบไหนก็ได้ทำได้ทั้งวันตลอดแต่ถ้าเรานั่งสมาธิหลับตาแล้ว เราจะทําได้เฉพาะช่วงที่มันสงบแต่ช่วงที่คนมารบกวนคนทําอะไรข้างๆหรือทําอะไรต่างๆเสียงดังรบกวนสมาธิมันก็ไม่สงบมันก็เกิดความรำคาญแต่ทาแบบนี้เจริญสติแบบนี้ใครจะมารบกวนเราก็ไม่เป็นอุปสรรคสําหรับเรามีแต่มาเป็นอุปกรณ์ให้เราเจริญสติอย่างเดียวแค่นั้นสิ่งเหล่านี้จึงแตกต่างกัน ทำแบบไหนก็ได้อยู่แบบไหนก็ได้ให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในทุกขณะที่เรากระทำพระพุทธเจ้าท่านก็พูดอยู่เสมอว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาเธอมีความเพียรเป็นเครื่องเผาเผากิเลสเผาความทุกข์มีสัมปชาโนมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็มีสติคอยควบคุมกํากับอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเดิน จะยืนจะเดินจะนั่งจะกินจะดื่มจะพูดจะคิดจะทําอะไรต่างๆจะนิ่งหรือจะอยู่เฉยๆก็ให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่เรากทำทําสิ่งนั้นๆ น, น, นี่พระพุทธเจ้าท่านก็ย้ําตลอดเวลาเห็นไหมในบทมหาสติปัฏฐานสูตรหมวดแรกท่านก็พูดด้วยอานาปานสติหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาว หายใจออกยาวก็ร uh ู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นใช่ไหมกำหนดลมหายใจแต่ทีนี้การกําหนดลมหายใจของเราทีนี้มันละเอียดเกินทีนี้มันละเอียดเกินแล้วก็ตามไม่รู้เท่าทันอินทสีย์เราไม่เข้มแข็งพอเราก็มาเอาอิรยาบทที่สองถึงหมวดที่สองที่สาม คือหมวดอิริยาบทย่อยเพราะว่าหมวดอิริยาบด ท, ที่หนึ่งี้พระพุทธเจ้าท่านก็พูดเอาไว้ชัดเจนเรื่องอนาปานาสติลมหายใจหมวดที่สองก็จะมาพูดเรื่องอิริยาบทใหญ่ยืนเดินนั่งนอนหมวดที่สก็จะมาพูดเรื่องอิริยาบทย่อยนี่เราก็จะมาเน้นอิริยาบทย่อยเพราะว่าหมวดอานาปานาสติหมวดที่หนึ่งนั้นเราอินทรีย์ไม่เข้มแข็งพอ เราก็มาเอาหมวดอิริยาบถย่อยก็คือการหูการเหยียดการเคลื่อนการไหวการกระทําการกินการดื่มการอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านี้เรามาเก็บเก็บอารมณ์เก็บอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางทุกสิ่งทุกอย่างนะทำโ น, น่นทำนี่หยิบโน่นจับนี่นี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละปลีกย่อยออกมาเนี่แหละเรามากําหนดรู้ตัวปลีกย่อยออ ก, ออกมา พรว่าถ้าเรานั่งแบบนี้นั่งอย่างนานก็ไม่เกินสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ทนไม่ไหวแล้วเห็นไหมส่วนมากเป็นแบบนั้นแต่ถ้าผู้ที่ฝึกมานานก็อาจจะได้สามสี่ชั่วโมงเป็นต้นไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าผู้ที่ฝึกยังไม่นานก็สามสิบนาทีนี่ก็ปวดขาแล้วนะปวดแข้งปวดขาถ้าเป็นชั่วโมงล้วก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกแต่ถ้าเราทํายกมือสร้างจังหวะ แบบวิธีนี้ถ้าเราปวดเราก็กาหนดหนดความรู้สึกตัวพลิกเปลี่ยนอิรยาบทเห็นแต่ถ้าปวดแขนเดี๋ยวนี้ออตั่งนานเลยโอ้ยยกมือสร้างจ้าวะนาน่ะเวเราก็มาเออเอามือเนี่ยเคาะหัวเขาเนี่ก็ได้นะปอกปอกปๆกปอกปอ ก, ปอกแบบนี้ก็เจริญสติตัวรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้กำหนดตายตัวนะเนี่ยแบบนี้คือรูปแบบเฉยเฉย แต่ทาแบบอื่นนะทีนี้เหยิบโน่นจับนี่เคาะโน่นเคาะนี่มันไม่ผิดนะ อ, อไม่ใช่ว่าโอ้ทําแล้วกลัวครูบาอาจารย์จะตำหนิเ อ, อมันไม่ใช่นะแต่เราทําได้ทุกอย่างจับโน่นจับนี่หยิบโน่นหยิบ น, น, บ น, น, บนี่เป็นการเจริญสติแม้แต่การนิ่งก็ถือว่าเป็นการเจริญสตินะส่วว่ายกมือไปยกมือเห็เหุเราจะสังเกตหลวงพ่อไหมเวลาท่านประพฤติปฏิบัติที่ศาลา ท่านก็จะยกมือสร้างจังหวะไปสักพักท่านก็จะนิ่งเห็นไหมแต่ถ้าเราจะเป็นนิ่งแบบนั้นไม่ได้นะั่นแดงว่าหลับก์ได้นะแต่ครูบาอาจารย์นี้ท่านแบบท่านว่านิ่งแบบนั้นอาศัยเส่วงจังหวนะนนะนะพิจารณารำในธรรมนั่นน่ะนิ่งแบบนั้นเอยกมือไปยกมือมาแล้วท่านก็จะนิ่งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไหวไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรต่างๆคือนิ่งเอ แต่ถ้าเราเป็นนิ่งนานๆไม่ได้เนี่ยหลับเดี๋ยวนั้นไม่ได้ต้องนิ่งพอประมาณนิ่งพอสักครู่แล้วก็มาเคลื่อนไหวต่อนี่ก็คือการเจริญสติการเก็บอารมณ์ของเราก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เก็บอารมณ์แต่ว่าเก็บแบบไม่ได้แข้งเท่าไหร่นะถ้าเก็บแบบแข้งเราก็ต้องเข้าปกเข้ากุฏิหรือเข้าซุ้มของเราเนั่นแหละเข้าเต็นท์ของเรา เ, เก็บ บริเวณที่ของเราไม่ให้ออกไปเพ่นพ่านที่อื่นก็ให้อยู่ในวงจำกัดเพื่อที่จะให้รู้อารมณ์ของเราชัดเจนยิ่งขึ้นนะอยู่ในวงจำกัดไม่ให้ออกไปนอกถ้าออกไปนอกแล้วเดี๋ยวอารมณ์มันจะไปเพลิดเพลินกับสิ่งอื่นๆแต่ท่านจะให้อารมณ์นี่อยู่กับเราให้มากที่สุดแล้วก็ในเขต ในบริเวณที่จำกัดมากที่สุดในที่จงกรมในที่นั่งในที่ปกในที่เต็นของเราอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้มันเห็นตัวของเราในชัดเจนความทุกข์บีบคั้นอารมณ์ทางจิตใจความฟาุ้งซ่านความหมุดหงิดอะไรมันก็จะแสดงออกมาตลอดสิ่งเหล่านี้โอ้เบื่อหนายโอ้ทอแท้โอ้ลำคาญอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นมันก็จะพร่งพรูออกมาสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราไม่เห็น มันพลัง่งพรูออกมาก็จริงอยู่มันออกมาความฟุ้งซ่านความหนุนหงิดความง่วงเหงาความอะไรต่างๆมันออกมาแต่เราไม่เห็นไม่รู้มันโอ้เหนื่อยแล้วไม่อยากทาแล้วพอแล้วกลับบ้านแล้วอย่างนี้จบเลยธรรมะไม่ปรากฏเลยแบงนั้นธรรมะปรากฏแต่ไม่เห็นธรรมะที่ปรากฏเลยเพราะสิ่งเหล่านี้อาการเหล่านี้ก็คือมันปรากฏมันแสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกๆ ท, ท่านที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันนะขอบุญกุศล น, นั้นจงเป็นพระวะเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ท่านทั้งหลายได้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่เราก็ทำในขณะที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะ นอกเวลาหรือในเวลาในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ตามขอให้จิตของเราเนี่แหละกายของเราเนี่แหละจงตั้งมั่นในความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในทุกขณะที่เรากระทำเราอย่าไปเผลอมันถ้าเผลอก็ตั้งใหม่เผลอก็กลับมาที่ตัวรู้สึกตัวเผลอทีไรก็กลับมาที่ตัวรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานี้เราใส่ใจคีย์เวิร์ดสั้นๆเพียงแค่นี้แหละ ว, ว่าโอ้ถ้าเราเผลอป๊บ กลับมาพับถ้าเราคิดปุ๊บกลับมาพับถ้าเราโกรธปุ๊บกลับมาพับถ้าเราหดหู่ปุ๊บกลับมาที่ตัวความรู้สึกตัวพับตัดปุ๊บปบแบบเนี้ถือว่าตัดอารมณ์ภายนอกได้ขาดได้ง่ายพอตัดเข้าบ่อยๆเราทันอารมณ์สิ่งเหล่านั้นทีนี้ปัญญาเราก็จะเกิดขึ้นกับทุกท่านทุกคนด้วยกันเดิน